เจ้าดอกกุหลาบจอมยโสโอหังวันหนึ่งมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นในทะเลทรายที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตงอกงามดอกกุหลาบแสนสวยผุดขึ้นมาเจ้าต้นเล็กๆที่เติบโตเป็นดอกไม้แม้ว่าจะยังไม่มีกลีบสวยแต่ก็เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ใครเคยเห็นมา ข้างๆต้นกุหลาบนั่นเองมีตะบองเพชรสองต้นมีนามว่าเท็และมอสเท็เป็นตะบองเพชรต้นเตี้ยส่วนมอสเป็นตะบองเพชรต้นสูงทั้งสองต้นมีรูปร่างที่ต่างกันไปและดีใจที่มีดอกกุหลาบเติบโตอยู่ระหว่างเขาทั้งสองมันช่างมหาศา์ที่มีดอกกุหลาบเติบโตอยู่ระหว่างเราสองคนว่าไหมใช่เท็ มหัศจริ์จริงๆเดี๋ยวนะเราต้องชื่อดอกกุหลาบว่าแมจิกดีไหมช่างเป็นชื่อที่วิเศษจริงๆ ร, งรงแมจิกด้วยเหตุนี้เจ้ากุหลาบงามถูกนามว่าแมจิกแมจิกไม่ใช่ดอกกุหลาบธรรมดาทั่วไปแต่บอกเพศสองต้นรู้ดีแมจิกโตช้ากว่าดอกไม้ปกติทั่วไปเ ท, ท็ดกับมอสดีใจมากที่เห็นดอกกุหลาบ และอยากให้แมจิกอยู่ไป น, น, นานๆแมจิกเป็นเด็กที่ซุกซนมากแมจิกจะแกล้งหยิกมอสแล้วโทษเท็นี่เท็ดเลิกเล่นได้แล้วนี่มุกมันเก่ามากแล้วนะมุกอะไรเรื่องที่ฉันดื่มน้ำที่กักเก็บได้ในลําต้นน่ะเหรอนี่มันน่ะไม่ใช่มุกเลยนะฉันทำเพื่อความอยู่รอดตัวฉันน่ะก็แค่ดื่มน้ำ ที่กักเก็บไว้ก็แค่นั้นเองแะน่าเกลียดจังเลยจะทำอะไรก็ทำไปเลยแล้วอย่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็หยุดยิกฉันได้แล้ว อ, อีกเหรอให้ตายเะนาเพอหลับในอีกแล้วใช่ไ้มเราเนี่ยฮะ <c oughs> ไม่ต้องมาทำเนียนเลย <c oughs> ก็แค่ครั้งเดียวเองที่ฉันเหนื่อยจนเพอหลับไปงั้นเหรอเหนื่อยอะไรล่ะพ่อคนเก่ง ยืนกลางทะเลทรายจนเหนื่อยยางงั้นเหรอไปเดินเล่นดูไหมล่ะมีขากดเดินไปโอ้ยตายสิหนะ้าหยุดหยิกฉันได้แล้วเข้าใจไหมไอ้นี่ฉันไม่ได้หยิกเลิกฝันกลางวันได้แล้วแต่บองเพชรทั้งสองเถียงเรื่องเดิมเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีใครคิดว่าเป็นฝีมือเจ้ากุห ล, ลาบน้อย เนื่องจากเป็นต้นตะบองเพชรทั้งเพ็และมอสจึงมีน้ำกักเก็บในลำต้นทั้งสองจะช่วยกันรดน้ำแมจิกเพ่ะช่วยให้เธอเติบโตแต่ไม่เคยบอกแมจิกว่าหากไม่มีน้ำมากพอแมจิกก็จะตายหลายเดือนผ่านไปแมจิกเติบโตขึ้นเธอเบิกบานเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลกกลีบดอกกุหลาบสีแดง สดเรียงสวยงามแมจิกโตสูงกว่าเท็แต่ว่าตัวเล็กกว่ามอสตะบองเพชดทั้งสองต่างภูมิใจในแมจิกรากของแมจิกแผ่ยึดลำต้นใต้ใตสายทำให้ลำต้นแมจิกตั้งตรงบนผืนทรายมอสจะรดน้ำเธอทุกครั้งที่เธอขอและเท็ก็จะใจดีให้เธอดื่มน้ำทุกครั้งที่เธอหิว ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเธอรักเพื่อนทั้งสองของเธอหลายเดือนผ่านไปก็มีผู้มาเยือนบนทะเลทรายเขาเดินทางมาบนหลังอูดอะไรเนะี่ยดอกกุหลาบในทะเลทรายเหรอช่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์และสวยงามที่สุดที่เคยเห็นมาเลยผู้มาเยือนเข้ามาดูแมจิกใกล้ๆ จากนั้นก็นําน้ำใส่ชามวางไว้ตรงหน้าแมจิกเจ้าคงหิวน้ำใช่ไหมเจ้ากุหลาบน้อยนี่เดียวนะเขาหาหัวพ่นน้ำก่อนมาเดี๋ยวฉันจะพ่นน้ำให้แต่แมจิกไม่ได้ฟังแมจิกกำลังตื่นตาตื่นใจกับเงาที่เธอเห็นในน้ำมันเป็นเงาของเธอเองอฉันเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดใช่แล้ว ดูลำต้นตรงสวยแ น, นส่สิกลีบสีแดงสดนาสวยฉันชัน้งดูงดงามเหลือเกินตลอดมันเนี่ยฉันคิดว่าฉันหน้าตาเหมือนเท็กับมอสซะอีกใ น, นว่าตัวเองต้องการพวกเขาที่ไหนได้พวกเขาต้องหาที่ต้องการชัดฉันทำให้พวกเขาดูดีไปด้วยผู้มาเยือนเจอหัวพ่นน้าเขาจุ่มลงไปในชามและพ่นน้าให้กับแมจิก หยดน้ำทำให้แมจิกดูงดงามกว่าเดิมโอ้โอตายจริงดูฉันสิสวยจังเลยอืดอกกุหลาบดอกนี้สวยจริงๆเลยอขับคือหน้าชายแปลกหนะ้าถ้าฉันเอาดอ ก, กุหลาบนี้ไปก็คงจะสามารถขายได้ราคาอย่างงามเลย นี่อยากจะเข้าเมืองไปกับฉันด้วยไหมว่าไงเมืองเหรอเ อ, อ้าอยากสิฉันอยากไปเมืองนะโอ้โหนั่นรอยอะไรเนี่ ย, ยสงสัยรอยจากตะบองเพชรแน่เลยเจ้าเนา่น่าจะอยู่ในสวนให้ผู้คนได้ชื่นชมความงามมากกว่านะผู้มาเยือนไม่รู้ว่ารอยตรงต้นกุหลาบนั้นมาจากการที่แมจิก ดื่มน้ำจากเท็ดเขาคงไม่รู้ด้วยว่าหากถอนแมจิกขึ้นมาจากสายเธออาจจะเหี่ยวเฉาตายได้เดี๋ยวก่อนฉันจะถอนเจ้าไปด้วยแต่ตะบองเพชรทั้งสองรู้ดีว่าเมือง น, นั้นอยู่ห่างไกลออกไปแมจิกเป็นดอกไม้ที่วิเศษก็จริงแต่ก็ยังเป็นเพียงดอกไม้ธรรมดา แมจิกจะไม่รอดหากถูกถอนรากถอนโคนเดินทางในทะเลทรายที่แสนโหดร้ายแมจิกคงจะอยู่ไม่ได้นานโดยไม่คิดนานทั้งสองป้องกันแมจิกทันทีที่ผู้มาเยือนเข้าใกล้แมจิกอ้าวตะบองเพชรงี่เงา้ากล้าดียังไงด้วยความโมโหและเจ็บปวดผู้มาเยือนต่อยมอสแต่เพราะเป็นตะบองเพชรเขาจึงไม่สามารถทำลายมอสได้ แต่ผู้มาเยือนได้รับบาดเจ็บมากกว่าเดิมเพราะโดนน้ำต่ำโอ้ยคลยกันแน่ที่งอไอมนุษย์เยี่ยมเลยมอสซี่แน่นอนว่าผู้มาเยือนไม่ได้ยินเสียงหัวเราะของตะบองเพชรแต่เขามั่นใจว่าต้องโดนหัวเราะเยอะแน่ทําให้เขายิ่งโกรธมากและเตะเพชรแต่ก็เหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ พอได้แล้วมัง้งผู้มาเยือนกลับขึ้นอูดด้วยความเสียใจเท็ดและมอสหัวเราะดีใจแต่แมจิกไม่หัวเราะด้วยทำแบบนี้ทําไมทําไมต้องอิด ช, ช้าเชนขนาดนี้ด้วยอิดช้าอย่างนั้นเหรอนี่แมจิกเธอต้องเข้าใจนะชายคนนั้นน่ะเขาเห็นแก่ตัวและเขาก็จะไม่ดูแลเธออย่างแน่นอนเป็นใครกันถึงกล้ามาแต่สินใจแทนฉันน่ะ ถ้าสองคนเป็นแค่ตะบองเพชรหน้าตานักเกลียดสวนชัยพี่ดอกไม้ที่งดงามที่สุดบนโลกใบนี้นะไม่ได้ยินหรื อ, อยังไงฉันควรจะได้อยู่ในสวนให้พี่คนชื่นชมความงามของฉันนะนี่แมจิกอย่าหลงตัวเองมากเกินไปนะทำไมกันละ่ะแล้วถ้าสองคนมีอะไรพิเศษอย่างนั้นล่ะเออคือก็เราสองคนกัเก็บน้ำได้เป็นปีเธอนะ่ะถึงรอดได้ไง แต่แมจิกไม่ฟังเธอเอาแต่บ่นและด่าทอตะบองเพชรทั้งสองแมจิกปฏิญาณว่าจะไม่ขอเอ็นตัวไปดื่มน้ำจากเท็ดอีกเธอไม่อยากให้ลำต้นที่สวยงามต้องเป็นรอยเอาจริงเหรอจะไม่ดื่มน้ำอีกเลยใช่ไหมได้เลยเท็ดเราดูแลเมจิกมามากพอแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วละตะบองเพชรทั้งสองใจแข็งและหยุดพูดกับมจิก พวกเขาโกรธมากที่จะอยู่แมจิกก็ยโสโอหังแมจิกมีความสุขมากๆในช่วงสองสาวันแรกแมจิกยังมีน้ำลำเลียงในรากทำให้เธอดูสดใสแมจิกไม่มองตะบองเพชรทั้งสองเอาแต่ยืนต้นตรงแต่สัปดาห์ต่อมาแมจิกรู้สึกอ่อนลาเธอพยายามยืนต้นตรง ไม่อยากให้ตะบองเพลทั้งสองเห็นความอ่อนล้าของเธอแต่น้ําในรากของเธอเริ่มหมดแล้วลําต้นของเธอเริ่มอ่อนล้าหายใจหอ่อบแมจิกเลิกทิพติได้แล้วแล้วก็ดื่มน้ําซะใช่แมจิกหลังจากดื่มน้ําแล้ว <S <S เธอก็ยังเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดอยู่นะไม่ฉันจะไม่เอ็นตัว ฮ้นึ่งวันผ่านไปลำต้นของแม่จิกงอนลงท่านหน้ามืดและอ่อนแอแม่จิกร่ำร้องไห้ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเธอนะ่ยต้องการน้ำเพื่อการอยู่รอดเจ้าดอกไม้หญิงยโสมาให้เราช่วยเธอนหน้า hey. ยังอยากช่วยฉันอยู่เหรอ ฉันไม่อยากเองนตัวแต่ธรรมชาติทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันทำผิดฉันผิดต่อเ่าทั้งสองคนสมควรแล้วที่ต้องเป็นแบบนี้ฉันขอโทษจริงๆโดยไม่รีรอเทะละมอสพ่นน้ำใส่แมจิกใช้เวลาอยู่ไม่นานในที่สุดแมจิกก็สดใสอีกครั้ง จริงให้ยภัยฉันได้ไหมเราให้อภัยเธออยู่แล้วแมจิกน้อยของพวกเราต้นไม้ทั้งสมกลับมามีความสุขอีกครั้งแมจิกรู้แล้วว่าเธอคิดผิดความยโสโอหังทำให้เจอความยากลำบากหากคนเราเยโซโอหังมากเกินไปก็จงเตรียมตัวเตรียมใจกับผลที่ตามมา